ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ยี่สิบเจ็ดเรื่องหลักธรรมใหญ่ๆนี่ก็ยังพูดไปได้ไม่กี่เรื่องเลยไปมีเรื่องหลักธรรมย่อยๆแทรกเรื่องอิทธิบาทบางปรุมิหารบางทีนี้กลับมาเรื่องใหญ่บางแต่เรื่องใหญ่เองก็ ว่าพูดไปนานๆนเข้าตอนนี้ชักจะไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือยังเนะี่ยถ้าพูดไปหลายเรื่องเหมือนกันนะอทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จนกระทั่งบางเรื่องก็อาจจะพูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวกลายไปพูดซ้ําใหม่คือพูดไปเรื่องตัวหลักการสําคัญก็เรื่องเรื่องหนึ่งที่พูดไปแล้วก็เรือความหมายของธรรม ที่นี้ธรรมะนี่ก็เป็นหลักสำคัญพื้นฐานแต่ก็ยังมีหลักที่ต้องเรียนรู้อีกซึ่งใหญ่เหมือนกันเอามาเติมเราจะได้ยินชื่อพระพุทธศาสนาเรื่องธรรมวรรมวินัยที่จะพูดวันนี้ก็ความจริงก็มาอยู่ในหนังสือนี้ด้วยคือ พุทธศาสนานี่เราก็จำเราก็เรียกชื่อกันว่าพุทธศาสนานแล้วแต่ความจรงิงคำว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อที่เรียกตัวพุทธศาสนานทั้งหมดเพราะคำว่าพุทธศาสนานในพระไตรปิฎกเองก็ใช้เป็นคาธรรมดาคือหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำว่า พุทธพระพุทธเจ้าศาสนาก็แปลว่าคำสอนพุทธศาสนาก็คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําค่อนข้างสามัญ น, นี่คําที่เรียกชื่อ พ, พุทธศาสนาจริงๆเนี่ยคือคําอะไรเดิมทีเดียวนี่ท่านใช้คําว่าธรรมวินยัยเรียกว่าภิกษุบวชแล้วในธรรมวินัยนี้ อันนี้พระพุทธศาสนาก็คือธรรมวินัยนี้บางครั้งก็อาจจะใช้คําอื่นใช่ว่าธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนี่คือชื่อชื่อเดิมนึกคว่าธรรมวินัยเนี่ยมีความหมายอย่างไรธรรมะก็ได้พูดกันมาแล้วมีมีคําเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือวินยัยแล้วทําไมจึงเรียกพระพุทธศาสนาว่าธรรมวินยัย ไม่เรียกแค่ธรรมะี่มีเติมคำว่าวินัยเข้าไปด้วยก็เราก็เริ่มมาจากคำว่าธรรมะนั่นแหละเพราะว่าได้เคยพูดไปแล้วว่าคำว่าธรรมะนี่เป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้ากรตรัดว่าพระองค์จะเกิดหรือไม่เกิดธรรมะก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างพุทธพจน์ที่เคยยกมาอ้างว่า ตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ตามความจริงก็มีอยู่ของมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเรื่องไตรลักษณ์ก็มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาส่งคนพบความจริงนี้แล้วแล้วก็ามาเปิดเผยเอามาแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายคือ พระพุทธเจ้านี่ก็มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเป็นคนพบความจริงนั้นคนพบธรรมะนั่นเองแล้วนอกจากคนพบแล้วนอกจากรู้ได้ตนเองแล้วก็เอามาสอนผู้อื่นให้คนอื่นพลอยรู้ตามด้วยฐานะของพระศ า, าสดาคือพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้อันนี้พอเราได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วถ้าปัญญาเราพัฒนาพอ เราก็เข้าใจธรรมะคือตัวความจริงนั้นเหมือนกับพระองค์พเราเข้าใจเหมือนอย่างพระองค์แล้วเราก็ได้เข้าถึงความจริงแล้วก็เราก็จะมีปัญญาเราก็จะมีความดีงามขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธเจ้าแม้อาจจะไม่เท่าทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้านั้นได้พัฒนาพระองค์มาโดยบาเพ็ญบารมีอย่างมากมาย แต่ก็ลักษณะทั่วไปก็เหมือนกันก็คือว่าเรียกว่าพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทีนี้จุดสำคัญก็คือตัวธรรมะนี่แหละแล้วทำไมธรรมะนี่มีคำว่าวินัยเพิ่มเข้า ม, มานี่เราลองมาดูว่า อ, อตกลงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาค้นพบธรรมะคือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาแล้วก็มาเปิดเผยแสดงชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจ ตามด้วยนี่พระพุทธเจ้ามาชี้แจงสั่งสอนคนอื่นให้เข้าใจก็ถ้าหากว่าสอนไปเรื่อยๆนะไม่มีวิธีการนี่ธรรมะที่พระองค์สอนนี่จะได้ประโยชน์กับคนเนี่ยคงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องไปพบทีละคนละคนพระองค์จะต้องเดินทางไปอย่างตอนแรกๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าต้องทรงเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะว่าเป็นการเริ่มต้นต้องเสด็จเดินทางไปโน่นไปนี่ไปพิจารณาว่าจะไปสอนใครดีใครจะมีพื้นมีความพร้อมแล้วก็เสด็จไปหาเขาไปสอนเขาบางทีก็พบโดยบังเอิญโดยผ่านกันแล้วเขาก็สนใจก็มาไถ่ถามอันนี้ใช้เวลานา น, านกว่าจะได้มี าศาสนาจะได้แผ่ภัยสารไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้ตลอดนี่คงจะกินเวลามากมายเหลือเกินนี่จะทำไงให้ธรรมะเนี่ยได้เกิดประโยชน์เป็นผลแก่คนจำนวนมากมายได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องการให้คนจำนวนมากเนี่ยหรือมนุษย์ทั้งโลกเลยได้ประโยชน์จากธรรมะที่บงคนบ อันนี้ก็จะต้องมีวิธีการวิธีการจะทำไงละ่ะวิธีการที่จะทำให้ได้เกิดประโยชน์แก่คนจำนวนมากๆนี่ก็คือต้องมีการจัดตั้งจัดตั้งยังไงละ่ะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าไปสอนทีละคนละคนก็ต้องเดินทางแล้วก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากใช้เวลามาก ไปสอนเขาที่นี่นะเขาอาจจะสนใจและเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จผ่านไปเขาก็รู้อยู่แค่นั้นแล้วในเมื่อไม่ได้มีคำสอนเพิ่มเติมนะบางทีเขาก็ค่อยๆลืมไปหรือเขาก็ถูกสิ่งอื่นมาชักจูงไปก็กลับเข้าไปอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่เรียกว่าถูกกลืนไปแล้วก็หนึ่งก็คือว่าได้ทีละคนละคนก็ช้า สแม้แต่คนที่ได้ที่สนใจไปแล้วก็อาจจะไม่ก้าวหน้าต่อจากนั้นหรือว่าอาจจะถอยหลังได้ซ้ําไปทําไงจะได้เกิดประโยชน์แก่คนจํานวนมากและคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็สามารถพัฒนาได้ยิ่งขึ้นก็ต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างที่เรียกบอกเมื่อกี้ว่าใช้วิธีจัดตั้งอย่างง่ายๆเริ่มต้นก็คือว่าเอาคนที่ สนใจแล้วฟังพระองค์แล้วอยากจะรู้ยิ่งขึ้นไปก็สามารถไปอยู่กับพระองค์ได้ไปอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้สอนเพิ่มเติมสอนไปเขาก็ฟังเพิ่มเติมเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปก็มีความเข้าใจพัฒนามากขึ้นมากขึ้นก็จัดเป็นวิธีของการฝึกทำให้คนมีโอกาสฝึกตัวเองเรียนรู้เพิ่มขึ้น วิธีหนึ่งก็ง่ายๆก็คือไปอยู่กับพระองค์อันนี้ถ้าหากว่าคนมาอยู่มากๆขึ้นแล้วก็จำเป็นจะต้องมีระเบียบขึ้นมาละเพื่อจะให้อยู่ด้วยกันใด้ความเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้ดีก็ให้การเป็นอยู่นั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อ ตอการที่เขาจะได้ฝึกตัวเองได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นก็เลยต้องมีการจัดตั้งวางระบบแบบแผนขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ปรากฏว่าพุทธเจ้าก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์เป็นสงฆ์นั่นเองเป็นสงฆ์ขึ้นมานะสงฆ์ก็เป็นชุมชนนี่เองชุมชนนี่คนที่มีความมุ่งหมายดีงามรู้ว่าตัวเองมี ป้าหมายอย่างไรในการมาอยู่เนี่ยใจเขาพร้อมอยู่แล้วนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่กันมากๆต่อมาก็มีคนที่มีพื้นน้อยบ้างมากบ้างอัธยาศัยใจคอต่างๆกันก็จะต้องมีระเบียบความเป็นอยู่ก็จัดตั้งวางระเบียบขึ้นมาต่อมาพวกระเบียบกฎเกณฑ์กติกาอะไรต่างๆก็เพิ่มขึ้นมา เรื่องของการจัดเป็นชุมชนนะแล้วก็มีกฎเกณฑ์กติกามีความเป็นอยู่นะที่เอื้อหรือเหมาะแก่การมาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองทั้งหมดเนี่ยเราเรียกกันว่าวินยัยนะวินัยก็คือการจัดตั้งวางระบบของชุมชนหรือสังคมแล้วก็ระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิต ในการอยู่ร่วมกันก็พูดง่ายๆว่าการจัดสภาพชีวิตระบบความการอยู่ร่วมกันการดำเนินกิจการและสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้เอื้อต่อการปฏิบัติที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชนนั่น คนที่มาอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นสงฆ์นี่มีวัตถุประสงค์อะไรอ่าววัตถุประสงค์ก็เพื่อจะมาศึกษามาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าจุดหมายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตติความหลุดพ้นเพื่อนิพพานนะเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันนี้เมื่อมีจุดหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยระเบียบการดําเนินชีวิตเป็นอยู่ของแต่ละคนก็ตาม ระบบการอยู่ร่วมการสัมผั์กันในระหว่างผู้อยู่ในชุมชนนั่นคือพระภิกษุทั้งหลายก็ตามการจัดดำเนินกิจการต่างๆทั้งหมดของชุมชนนั้นก็ตามสภาพแวดล้อมต่างๆก็ตามเนี่ยจะมีจุดหมายอันเดียวกันคือเพื่อให้มันเป็นเครื่องช่วยในการที่ทุกคนทุกท่านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะได้ก้าวหน้าไปในการศึกษาในการเรียนรู้ปฏิบัติของตนสู่จุดมุ่งหมายอันนั้น นี่แหละอย่างนี้ทั้งหมดอย่างที่บอกเมื่อกี้เรียกว่าวินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนระเบียบกฎเกณฑ์กติกาของชุมชนนี้ถ้าจัดวางได้ดีนี่คนที่มาอยู่ในชุมชนนี้จะได้ประโยชน์มากก็จะทําให้คนจํานวนมากนี่ได้ประโยชน์จากธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพราะนั้นวินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนระเบียบกติกาเหล่าเนี้ จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะมาช่วยให้ธรรมะนี้เกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์จํานวนมากไม่เชนั้นแล้วก็จะธรรมะก็จะเกิดประโยชน์กับคนน้อยคนนะเมื่อถือว่าเรื่องการจัดตั้งนี้การจัดวางประชุมชนนี้เป็นเรื่องสําคัญในที่สุดก็โดยเอาคำว่าวินัยนี้มาคู่กับธรรมคำว่าธรรมะเลยนะีก็เรียกพุทธศาสนาว่าธรรมะและวินัย ในพอเป็นชุมชนที่คนมาอยู่รวมกันเพื่อการศึกษานะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยลองดูว่าจะมีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็คือว่าหนึ่งคนที่มีความสนใจบ้างแล้วเช่นว่ า, าพบพระพุทธกับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเรื่มสายอยากจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นก็จะได้มีโอกาสมาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ารวมทั้งท่านผู้ใหญ่อื่นๆที่เป็นมหาสาวกที่เก่าๆที่ท่านจะได้ มาช่วยสอนแนะนำเพิ่มเติมหรือมาเป็นที่ปรึกษาไต่ถามนะคนนั้นก็จะก้าวหน้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ที่อยู่ร่วมกันนี้มีจุดวุ่งหมายอันเดียวกันก็จะมาเป็นสภาพเป็นล้อมแก่กันและกันเกื้อหนุนกันเรียกว่าเป็นการยานามิตรในการที่แต่ละคนจะก้าวหน้าไปนะไม่พาไม่ถูกลอ่อชักจูงเปินทางที่มันเขว อย่างทำไม่ไม่อยู่ในชุมชนนี้ไปอยู่ข้างนอกนะสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อนะอย่างเราเข้ามาทางธรรมะแล้วไปอยู่ในชุมชนขี้เมาอย่างเงี้ยก็ไม่ดันว่าไม่ได้เรื่องแหละนะสภาพแวดล้อมไม่อำนวยนอกจากว่าจะไม่ช่วยเอื้อต่อเราแล้วยังแถมจะพาชักลากเราออกไปเฮืงนอกด้วยนะนี่เพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์มากและสภาพแวดล้อมอย่างอื่นก็ต้องจัดให้เหมาะเช่นว่า อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีความสงบอะไรเป็นต้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเอื้อไปหมดและนอกจากนั้นแล้วก็นอกจากในชุมชนนี้จะเอื้อต่อการเองแต่ละคนที่เป็นผู้ใหม่ก็สามารถแสวงหาความรู้ฝึกฝนตนเองได้มากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากกันและกันแล้วก็ได้ประโยชน์จากผู้เก่าผู้เก่าก็ทําประโยชน์ได้มากขึ้นเพราะว่าสามารถสอนกับคนที่มีความมุ่งหมายที่สนใจอยู่แล้ว ไม่ใช่จะต้องไปเสียเวลาแรงงานมากเกินจําเป็ น, นแล้วนอกจากนั้นก็คือที่นี่ก็กลายเป็นแหล่งที่ว่าคนก็รู้กันอ้อนี่นะชุมชนนี้ที่นี่หรือวัดนี่เป็นแหล่งของธรรมะถ้าต้องการธรรมะต้องการฝึกฝนปฏิบัติต้องการการปัญญาเพิ่มขึ้นก็มาที่นี่เลยเป็นแหล่งที่จะสามารถมาปรึกษาไถ่าถามได้ เราจอได้บรรยากาศได้ความสงบเป็นต้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมในทางจิตใจในการพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วยแล้วก็ชุมชนนี้เองเมื่อมีผู้ที่มีความรู้มีการพัฒนาศึกษาดีแล้วอยู่ด้วยกันมากๆนอกจากว่าจะทําประโยชน์แก่ผู้มหาแล้วตัวเองก็สามารถออกไปขยายออกไปกระจายกันออกไปไ ป, ไปทํางานไปช่วย สั่งสอนผู้อื่นก็เป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะเผยแพร่ระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ไปด้วยก็ได้ประโยชน์หลายแง่หลายประการเพราฉะนั้นวินัยคือการจัดตั้งนี้จึงเป็นมีความสําคัญอย่างยิ่งนี้ผู้ที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องมีความสามารถพิเศษสองชั้นคือขั้นที่หนึ่งก็ต้องรู้เข้าใจเข้าถึงตัวธรรมะ นะขั้นที่หนึ่งนี้สําคัญที่สุดก็คือขั้นธรรมะเนะี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เข้าถึงความจรงิงเข้าถึงธรรมะนั้นนะอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งในี่ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงความจริงอันนีนะ้มีปัญญาตรัสรู้ได้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะไม่ว่าใครทั้งนั้นนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ ตรัสรู้เองค้นพบเองโดยไม่ได้รับฟังจากผู้อื่นก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีฐานะพิเศษอีกต่อไปก็ดูว่าถ้าออกไปสั่งสอนทำให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นรู้ตามได้ด้วยอย่างพระพุทธเจ้าของเราคือพระสมณโคดมหรือพระสักยามุนีนีน้นอกจากตรัสรู้ด้วยพระองค์องเองแล้วยังไปสามารถ ไปสั่งสอนให้คนอื่นรู้ตามได้มากๆจัดตั้งชุมชนสงฆ์ขึ้นมาจัดวางวินัยด้วยถ้าอย่างเงี้ยทำได้สองชั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารู้เองเข้าถึงความจริงตรัสรู้แล้วแต่ว่าไม่ถนัดในการไปสั่งสอนผู้อื่นไม่สามารถในการจัดตั้ง วางระบบให้เป็นชุมชนเป็นสงฆ์ขึ้นมาให้คนจำนวนมากได้ประโยชน์จากธรรมะธรรมะนั้นก็จํากัดอยู่เฉพาะตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าแปลว่าพระพุทธเจ้าที่ตต่สรู้เฉพาะตัวเองผู้เดียวก็เลยเกิดมีพระพุทธเจ้าสองประเภทนะคือ ขั้นแรกมีความเหมือนกันที่ว่าคนพบธรรมะเข้าถึงตัวธรรมะตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าสามารถสั่งสอนผู้อื่นจัดวางระบบชุมชนสงข์ขึ้นมาให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์กันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เรียกชื่อเติมเข้าข้างหน้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนท่านที่ค้นพบความจริงอย่างนั้นแต่ไม่สามารถไม่ถนัดในการสั่งสอนไม่ได้จัดวางระบบสงค์ขึ้นมาไม่ได้มีความสามารถในทางที่เรียกว่มมาวินัยคือการจัดตั้งนั้นก็เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้านีอันนี้ส่วนท่านผู้อื่นที่ว่ามาฟังพระสัมมาสัพพัฒเจ้าแล้วก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตามคำสอนคาแนะนาของพระพุทธเจ้านั้น ของพระสมมาพระพุทธเจ้านั้นก็พลอยได้เข้าถึงธรรมะได้รู้ความจริงนั้นไปนด้วยก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เพราะไม่ได้ค้นพบด้วยตนเองเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้สะดับได้เรียนตามก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งเติมคำว่าอนุเข้าไปข้างหน้าก็เป็นอนุพุทธหรืออนุพุทธเจ้าก็เลยเกิดมีเป็นพระพุทธเจ้าสามประเภท อย่างพระสารีบุตรพระโมกขลาพระอนนทพระมหากัสปะเป็นต้นท่านเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่สามคืออนุพุทธเจ้าทั้งนั้นนตอนนี้เราก็ได้แล้วว่ามีพระพุทธเจ้าสามประเภทแต่ทีนี้ที่จะเป็นพระพุทธศาสนาได้นี่จะต้องเกิดขึ้นโดยพระพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความสามารถสองชั้นน ก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระสมมาสมพุทธเจ้านั้นมีความสามารถพิเศษสองชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือว่าตรัสรู้มีปัญญาค้นพบธรรมะความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา น, นั้นด้วยพระองค์เองน่ขั้นที่หนึ่งแหละในขั้นที่สองก็คือว่านอกจากรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์เพื่อให้คนจำนวนมากนี้ได้ประโยชน์จากธรรมะตามพระองค์ด้วยอันนี้เรียกว่าวินยัยธรรมะที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติที่พธธระพุทธเจ้าเป็นคนพบรวมกับวินยัยระบบ ในทางสังคมนะการจัดตั้งวางระเบียบกฎเกณฑ์กติกาขึ้นในชุมชนนี้อันนี้เรียกว่าวินยัยสองอยา่างธรรมะกับวินยัยนี้เป็นพระพุทธศาสนานะอันนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินยัยอันที่หนึ่งก็คือว่าเพราะมีธรรมะวินัยจึงเกิดมีขึ้นมาเพื่อให้คนได้ประโยชน์จากธรรมะนี่ถ้าจัด ตั้งวินัยขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ได้มีธรรมะเป็นฐานก็ลอยเลยใช่ไหมลอยก็ทําไปทําไมนะอาจจะจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์อื่นไปใช่ไห ม, ชไหมเช่นว่าจัดตั้งเพื่อไปรบราคาฟันกันเป็นต้นเขาก็จัดตั้งเหมือนกันใช่ไหมเนะีคนโกรธแค้นกันระหว่างเผ่าระหว่างพวกก็จัดตั้งกันขึ้นมานะีเป็นกองทัพแล้วก็ยก ไปตีกันฆ่ากันนะอย่างนี้ก็ถือเป็นการจัดตั้งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ขาดวิขาดธรรมะเป็นฐานก็ไม่มีความหมายก็เสียเลยใช่ไหมทำให้เกิดผลร้ายนะการเบียดเบียนกันงนั้นต้องมีธรรมะเป็นฐานก่อนะัะนั้นธรรมะนี่แหละเป็นตัวหลักยืนเป็นแกนกลางแล้วเรามีวินัยคือการจัดตั้งวางระบบขึ้นมาก็เพื่อให้คนได้ประโยชน์จากธรรมะ เพราะนั้นธรรมะจึงเป็นจุดหมายของวินัยวินัยเพื่อให้คนเนี่ยเพื่อช่วยคนเพื่อสร้างสภาพเอือ้อให้คนเนี่ยจำนวนมากๆได้เข้าถึงธรรมะแล้วก็จัดวางดีๆยิ่งดีก็ยิ่งช่วยให้เข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ้าวถ้าจะจัดตั้งระบบ ที่เรียกว่าวินัยให้ได้ผลดีนี่ก็ต้องรู้ธรรมะด้วยรู้เข้าใจความจริงถ้าไม่รู้เข้าใจตัวธรรมะความจริงนั้นอย่างถ่องแท้การจัดระบบที่เรียกว่าวินัยก็จะไม่เกิดผลสำเร็จอ้าวก็ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแน่ตัวธรรมะนั้นคืออะไรแล้วจะให้คนนี่เข้าถึงสิ่งนี้ใช่ว่าจุดหมายของธรรมะ เมื่อฝึกตนพัฒนาชีวิตตามธรรมะแล้วจะได้มีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสพ้นจากความทุกข์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งเป็นจุดหมายชีวิตมีอิสรภาพต้องรู้ว่าธรรมะนี้จะให้เกิดผลอะไรธรรมะเป็นอย่างไรจึงจะวางวินัยจัดวางระบบชุมชนสังคมให้สอดคล้องกันได้ถ้าไม่รู้ธรรมะนี้ก็การจัดตั้งนั้นก็เลื่อนลอยไม่ได้ผลอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะนี้เป็นทั้ง จุดหมายแล้วก็เป็นฐานของวินัยเนียเราต้องรู้เข้าใจธรรมะทองแท้จึงจัดวางวินัยได้ผลดีแล้วที่วางวินัยเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนนั้นไปเข้าถึงธรรมะก็ยุติได้ว่าธรรมะนั้นเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยหรือเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งรากแล้วก็เป็นทั้งยอดของวินัยอันนี้เรามาพูดถึง เรื่องของสังคมมนุษย์พูดป้างออกมานี่เราพูดเริ่มจากพระพุทธศาสนานะนี่เราไปอันว่าพระพุทธศาสนาก็มีสองส่วนนี่แหละความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ทั้งเข้าถึงธรรมะและสามารถจัดตั้งวินัยระบบสังคมนี่สังคมมนุษย์ในวงกว้างก็เช่นเดียวกันก็คือว่ามนุษย์นี่ต้องการการอยู่อย่างมีสันติสุขต้องการสังคมที่ดีงาม ต้องการให้มนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้มีชีวิตที่ดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขแสดงว่าก็คือต้องการธรรมะใช่ไหมแต่ี้เพื่อจะให้ค น, นได้ประโยชน์ได้ได้ถึงที่เรียกง่ายๆว่าธรรมะเนี่ยคือว่าชีวิตที่ดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขไรแบบเบียดเบียนกันเนี้ยคือเรียกว่าธรรมะพูดง่ายๆเพื่อจะให้คนได้ประโยชน์จากธรรมะเนี้ยสังคมมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ก็พยายามกันมาที่จะจัดตั้งวางระบบสังคมชุมชนของตนใช่ไหม จนกระทเกิดเป็นอารยธรรมสังคมที่พัฒนาก็ยิ่งมีระบบแบบแผนมากขึ้นจนกระทั่งว่าซอยละเอียดลงไปนะระบบการเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรายังไม่ซอยเนี่ยมันจะมีอะไรก็เช่นว่าเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอาหารปัจจัย4ี่นีก็ต้องจัดวางระเบียบว่าเออเราจะแบ่งกันยังไงต้องมีระบบกรรมสิทธิ์แหละใครจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้เท่าไรจะมีปัจจัย4ี่กินได้ยังไงใช่ไหม จะทำไงคนที่อยู่ด้วยกันจะไม่เบียดเบียนกันไม่ใช่ว่าคนไหนมีกำลังมีอำนาจก็เอาเปรียบคนอื่นจนกระทั่งคนอ่อนแอก็ไม่มีอะไรจะกินอะไรเงี้ยสังคมก็จะต้องมาจัดวางระบบการเป็นอยู่การจัดสรรการแบ่งปันในะพวกปัจจัยสี่เป็นต้นแล้วก็ระบบการทำมาหาเลี้ยงชีพจะหากินอย่างไรนะแล้วต่อมาก็ถ้าคนทําผิด จะลงโทษยังไงใช่ามจะมีวิธีจัดการยังไงนะเพื่อจะปรับปรามป้องกันความชั่วการทำผิดทำไงจะส่งเสริมความดีแล้วต่อไปทำไงคนจะรู้ผิดรู้ถูกเออแล้วก็รู้จักวิธีธรรมากินก็ต้องมีการศึกษามีระบบอะไรต่างๆขึ้นมาเรื่อยจัดตั้งโรงเรียนที่เรียนมีการสอนนะแล้วก็แต่ทั้งหมดนี้ก็คือวาอ่าเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปกครองนะจึงจะอยู่กันได้ดี ในสังคมที่เป็นพื้นพื้นง่ายๆเนี่ยแม้แต่เล็กน้อยก็จะมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันจะไม่มีการแยกชัดพอเป็นสังคมใหญ่ๆขึ้นนี่แยกออกมาเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบทางด้านสังคมต่างๆนะีแม้แต่เรื่องอย่างที่ว่าการลงโทษผู้กระทําความผิดเป็นต้นนะีหรือการจัดระบบการเล่าเรียนศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะแยกไปเป็นด้านๆไปหมดเลย อันนี้พอแยกเป็นระบบต่างๆเนี่ยต่อมามันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเน่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบที่ยังไม่ได้แยกย่อยก็าตามหรือเป็นระบบใหญ่ที่แยกออกไปซอยเป็นระบบย่อยต่างๆก็าตามที่จริงมันก็อันเดียวกันก็คือมุ่งหมายเพื่อทําไงจะจัดให้มันคนเนี่ยมันได้ประโยชน์จากธรรมะใช่ไหมคือจะทําให้เขามีชีวิตดีงามมีความสุข อยู่ร่วมกันได้ดีไม่เบียดเบียนกันอะไร เ, ยเียนะร่วมมือกันนะเพื่อจะสร้างสารร์สังคมมันก็มุ่งหมายอย่างเงี้ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันนี้ถ้าคนเข้าถึงความจริงคือตัวธรรมะนี่รู้ว่าอ๋อชีวิตของเรานี่คืออะไรอะไรเป็นความดีงามของชีวิตชีวิตที่ดีมีความสมบูรณ์เป็นยังไงนะถ้าอันนี้มันมีความชัดเจนเนี่ย การจัดตั้งวางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบแบบว่ากว้างๆคลุมๆหรือจะแยกเป็นระบบย่อยแบบว่าเป็นด้านๆระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองระบบการศึกษาอะไรอนะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันมีความเข้าใจในตัวความจริงนั้นคือตัวธรรมชัดเจนเนี่ยการจัดวางระบบก็มีทางที่จะได้ผล จะถูกต้องขึ้นใช่แต่ก็ต้องขึ้นต่อความสามารถของคนจัดด้วยก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีความสามารถสองชั้นหนึ่งต้องเข้าถึงตัวความจริงที่เรียกว่าธรรมสองแล้วก็มีความสามารถในการจัดตั้งเนี่ยทำไงจะให้คนได้มีความสามารถครบทั้งนี้นี้มนุษย์ก็พยายามวางระบบกันมาตอลอดประวัติศาสตร์เพื่อจะให้ได้ผลดีที่สุดแล้วก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยัง ไม่ปรากฏว่าบรรลุผลสำเร็จบางทีวางไปแล้ววางไปแล้วนี่บางทีไประยะยาวกลายเป็นพิษเป็นภัยใช่ไหมเช่นระบบการอยู่ร่วมกันอย่างระบบเศรษฐกิจก็มีเป็นระบบแบบคอมมิวนิสต์ระบบทุนนิยมทุนนิยมก็มีหลายระบบในระบบบางระบบเน้นปัจเจกนิยมจัดแล้วก็มีระบบการแข่งขันอย่างของมริกันนี่ถือว่าถ้าเป็นระบบแข่งขัน แล้วเอาแต่ตัวนะทุกคนนี่ทาเพื่อตัวเองหาผลประโยชน์ให้มากก็จะขยันขันแข็งสร้างสรรค์กันใหญ่แล้วเสร็จแล้วสังคมส่วนรวมก็จะเจริญพัฒนาไปเองกว่ากันนะอย่างนี้เป็นตน้นบางระบบบอกไม่ได้อย่างนี้มันเอาเปรียบกันจนะต้องเป็นระบบที่มาจัดสรรไอ้พวกปัจจัยพื้นฐานในการคลองชีพเรื่องทุนนี่ต้องเป็นของส่วนรวมนะแล้วก็ ให้คนนี้มีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกันนะรัฐก็เข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆแล้วนี้นะนี่ก็คือการคิดของมนุษย์ว่าทําไงมันจึงจะได้เข้าถึงไอ้ตัวชีวิตที่ดีงามมีความสุขจริงก็คือเข้าถึงตัวธรรมนั่นเองนี่ว่าคนที่จะจัดวางเพื่อจะให้เขาเข้าถึงอะไรมันก็ต้องรู้อันนั้นจริงๆใช่ไหมนี่ปัญหาก็คือว่ามนุษย์เนี่ยรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไหมมนุษย์ก็พยายาม การพยายามที่จะเข้าถึงไอ้ตัวธรรมคือความจริงนี้เขาก็คิดในทางเหตุผลกันก็ออกมาในรูปที่เรียกว่าทรฤษีต่างๆใช่ไตรฤษีต่างๆก็คือการพยายามเข้าถึงตัวธรรมะนี่เองแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเข้าถึงจริงไหจริงมันก็ออกได้ในรูปของทฤษีก่อนนะในคนนี้ก็มีปัญญาก็พยายามเข้าถึงไอ้ความจริงแท้มันเป็นอย่างนี้ๆนะฉนคิดได้แค่นี้ก็ วางเป็นระบบความคิดของตัวเองแนวความคิดของตัวเองก็ได้เป็นทฤษฎีหนึ่งนะอย่างอย่างขานมาก <c oughs> แกก็ได้แนวคิดทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมอย่างคนอื่นก็ได้แนวทฤษฎีลหนึ่งตรีศีหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บนฐานของทฤษฎีนั้นก็มาตั้งระบบขึ้นมาเป็นรูปธรรมนะตัวทฤษฎีก็คือการพยายามเข้าถึงตัวธรรมะแล้วก็ จัดระบบขึ้นมาบนฐานของทฤษฎีนั้นหลักการเดียวกันคือหลักธรรมวินยัยใช่ไหมธรรมะก็คือได้แค่คันตรรกะวินัยก็คือระบบต่างๆซึ่งแยกเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเป็นต้นแล้วแถมระบบการเมืองการปกครองเพราะทฤษฎีมันเกิดต่างกันมันมองเห็นความจริงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมันก็เลยพลอยต่างกันไปหมดเลยนี้ปัญหาก็มีขั้นที่หนึ่งคือว่าตอนนี้เราจะ หาทฤษฎีอะไรที่เข้าถึงไอ้ตัวธรรมะคือความจริงเนี่ยเนี่ยถ้าตราบใดที่ทฤษฎีนั้นยังไม่เข้าถึงตัวธรรมะตัวความจริงสรางวัตถุมงเศสมันเยอะใช่ไหมทีนี้ถ้าไอแนวคิดนี้มันผิดละ่ะก็หมดเลยใช่ไหมระยะยาวก็พังนะนี่อย่างตอนเนี้ยเราก็มามองว่าไอทฤษฎีทุนนิยมโดยเฉพาะระบบแข่งขันเนี่ยกําลัง ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกถ้าทฤษฎีนี้ผิดจบใช่ไหมแล้วมันผิดหรือถูกตอนนี้ก็อมันมนุษย์ความสมบูรณ์ของชีวิตยอยู่ที่มีวัตถุเสพสมบูรณ์ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าอ่ามองตามแง่พุทธศาสนาไม่ใช่แน่ใช่ไหมแสดงว่าทฤษฎีนี้ไม่ได้เข้าถึงตัวความจริงที่เรียกว่าธรรมะเมืนะ่อฐานแกไม่ถูกแล้วแกจัดวางระบบแกก็ต้องผิดแล้วไม่สามารถนํามนุษย์ไปสู่ธรรมจริงๆ เพราะธรรมะมันเป็นจุดหมายของวินัยคือระบบอันนี้หนึ่งแล้วนะทฤษฎีต่างๆนี่เข้าถึงตัวธรรมะหรือเปล่าความจริงสองก็คือว่าเวลานี้ทฤษฎีต่างๆเนี่ยแยกกระจัดกระจายหมดทั้งๆที่ไอตัวความจริงนั้นของชีวิตการอยู่ของมนุษย์นั้นมันธรรมชาติอันเดียวธรรมะมันอันเดียวใช่ทีนี้มนุษย์เก่งขึ้นพัฒนาอริยธรรมัฒนธรรมขึ้น แยกทฤษฎีเป็นด้านๆระบบการจัดสรรสังคมเป็นด้านๆแยกการปกครองการเมืองไปด้านหนึ่งแยกประเด็นเศรษฐกิจไปอีกด้านหนึ่งแยกการศึกษาไปอีกด้านหนึ่งแต่ที่จริงนั้นความจริงของธรรมชาติตัวธรรมะมันอันเดียวกันนี่ใช่ไหมความจริงพื้นฐานของชีวิตมันเพื่อชีวิตอันหนึ่งอันเดียวกันระบบการเป็นอยู่ของมนุษย์อันเดียวกันแล้วไปแยกเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองทีนี้เกิดมนุษย์ไม่รู้ตัวว่า ไอ้ที่จริงนั้นพื้นฐานมันต้องอันเดียวกันแหละเพราะชีวิตมนุษย์ก็ชีวิตอันเดียวธรรมชาติทั้งหมดก็อันหนึ่งอันเดียวกันเกิดไม่ลึลึกไม่ตันหนักถึงอันนี้แก่ก็แยกกันไปเลยนี่คือมนุษย์เพลินหลงตอนแรกก็พยายามจะจัดให้มันดีใช่ไหมออกไปออกไปก็เก่งเข้าเก่งเข้าก็แยกส่วนออกไปสิเป็นด้านๆไปเลยก็เกิดเป็นลัทธิชํานาญพิเศษ specialization เกิดเป็นระบบของ แนวความคิดแบบแยกส่วนระบบเศรษฐกิจก็ไปเรื่องหนึ่งระบบการเมืองการปกครองก็ไปเรื่องหนึ่งระบบการศึกษาก็ไปเรื่องหนึ่งระบบการรูกว่าการดำรงรักษาในเรื่องของจริยธรรมก็ไปเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยนะแยกไปแยกกันไปทีนี้เพราะไม่ตรหนักความจริงว่าที่จริงไอ้ตัวธรรมะมันอันเดียวกันแกก็โยงไปได้สิ ทีนี้ไอ้ระบบเหล่านี้มันก็ตีกันสิใช่ไหมระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมืองนี่มันสอดคล้องกันหรือเปล่าอย่างเดียวนี้ก็เป็นปัญหาเลยใช่ไหมดังนั้นทำมันเป็นของแท้เนี่ยมันต้องต้องโยงกันได้แล้วมันต้องสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันใช่ไหมมันต้องกลมกลืนกันอย่างทฤษฎีเศรษฐกิจกับทฤษฎีการปกครองการเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ยุ่งหละใช่ไหมเอ๊ะในด้านการเมืองการปกครองอาจจะใช้ระบบประชาธิปไตย แต่ด้านเศรษฐกิจใช้ระบบอะไรบางประเทศบอกว่าไม่ได้ฉันต้องใช้ระบบสังคมนิยมนะ่ยต้องใช้ระบบเศรษฐกิจคอมมอนิสต์นีสังคมนิยมคอมมอนะิสต์น่ยระบบที่รัฐเนะ่ยเป็นเจ้าของทุนทั้งหมดอะไรทำนองนี้เป็นตน้นไอ้ระบบเศรษฐกิจอย่างของพวกประเทศทุนนิยมก็ไปใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแข่งขันเลือกเสรีอะไรพวกนี้นะก็ใช้คนละแบบ ตกลงว่ามันไม่มาประสานกันเพราะถ้าไม่ประสานกันนี่มันก็ต้องเกิดความขัดแยง้งมันก็จะต้องมีปัญหาเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือความไม่ได้สมบูรณ์ไม่ได้ผลสมบูรณ์นั่นเองตอนนี้มนุษย์เมื่อพัฒนาริยธรรมมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ปัญญาที่มันตระหนักในความเป็นจริงอย่างน้อยขั้นพื้นฐานว่าตัวความจริงแท้ๆเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้มันก็ไม่ตระหนัก มันก็เลยแยกไปเป็นระบบอย่างที่ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจก็ไปเรื่องระบบการเมืองก็ไปเรื่องระบบการศึกษาก็ไปเรื่องแล้วไม่ไม่สามารถมาเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์ที่จะเกิดกับชีวิตมนุษย์มันก็ไม่จริงกลายไปว่ายิ่งมีอารยธรรมจเจริญขึ้นมาก็เลยยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยเพราะมันขาดไอ้ตัวความเข้าใจพื้นฐาน แล้ไม่เฉพาะว่าแยกกันเป็นระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองระบบทางสังคมระบบการเวินิจฉัยคดีระบบการศึกษาอะไรเป็นต้นไม่เฉพาะแยงกงั้นแม้แต่ในระบบอย่างเดียวกันก็ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีคนละอย่างหลายอย่างมีหลายทฤษฎีด้วยใช่ไหมอย่างการจัดระบบการศึกษาก็มีหลายทฤษฎีทฤษฎีคนนี้คทฤษฎีคนนี้ทฤษฎีคนนั้นก็นิยมกันไปมนุษย์ก็วกวนว น, นเวียนอยู่ในการควานหาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม เดี๋ยวไทยเราก็ไปเอาทฤษฎีการศึกษาแบบของอเมริกาอเมริกันก็มีหลายทฤษฎียุคนี้ก็ใช้ทฤษฎีนี้ต่อมาอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ใช้ทฤษฎีนั้นผิดน่ยต้องทฤษฎีนี้ไอ้ทฤษฎีจะละทฤษฎีก็คือการพยายามเข้าถึงถามตัวความจริงแล้วเสร็จแล้วก็มนุษย์ที่ใช้ทฤษฎีเหล่านั้นน่ยตัวเองก็ไม่รู้ไอตัวผู้ตั้งทฤษฎีเองก็ไม่แน่ว่าเข้าถึงหรือเปล่าก็พยายามควานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมนุษย์มันจึงอยู่ใน สภาพของการแสวงหาตลอดเวลาเนะี่ยมันก็ไม่ได้ตัวความจริงที่สมบูรณ์แต่โดยหลักการก็เป็นว่าหนึ่งต้องมีความเข้าใจในตัวธรรมะตัวความจริงนี้เป็นฐานสองตัวธรรมะนั้นเป็นความจริงตามธรรมชาติต้องเป็นระบบความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดเชื่อมโยงกันได้หมดถ้ามนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดนี้ก็ไปอันว่าสังคมมนุษย์ชีวิตมนุษย์จะเข้าถึงความดีงามที่แท้ได้ยากเนะี่ย หนึ่งเข้าถึงถามตัวความจริงไหมสองประสาน ร, ระบบต่างๆในสังคมมนุษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานความจริงนั้นได้หรือเปล่าเนะ่านนั่นแหละนี่คือเรื่องธรรมกบวินัยใช่ไหนพุทธศาสนาก็สรุปลงก็มีเทา่านี้มีธรรมกบวินัยแล้วถือว่าสำคัญทั้งสองอย่างอันนี้คนปัจจุบันนี้มองพุทธศาสนามักจะมองไปด้านเดียวก็คือมองด้านธรรมะ ถ้ามองด้านธรรมะเนี่ยมันเป็นด้านของความจริงตามธรรมชาติเราจะไปนเน้นที่ตัวบุคคลคือชีวิตอ่ะบุคคลนี่เป็นคำหลวงตานะไอหลวงหลวงสมองเพราะว่าบุคคลนี่คือความหมายของคนในแง่ที่เป็นสมาชิกของสังคมเป็นตัวตนอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ในสังคมใชม่เราเรียกว่าเป็นสมาชิกของสังคม แต่ในบุคคลนั้นน่ยตัวเนื้อหาที่แท้ของเขาก็ชีวิตของเขาบุคคลนั้นมีเนื้อหาแท้ก็คือชีวิตและชีวิตของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติถ้าเราพูดว่าบุคคลนี้ทำให้เราแยกคนออกจากธรรมชาติทันทีจึงได้พูดบ่อยๆว่าคนเนี่ยนะมีสองด้านนะคนด้านหนึ่งของเขาคือชีวิตและชีวิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรมมธรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติ อีกด้านหนึ่งคนนั้นเป็นบุคคลเป็นสมาชิกของสังคมเวลาเราพูดว่าบุคคลเนี่ยเราจะเน้นไปในแง่ความหมายที่เกี่ยวกับสังคมอ๋อคนนี้อยู่ในสังคมแต่ละบุคคลก็มีส่วนร่วมในสังคมนั้นอาจจะมีส่วนร่วมในแง่ลบก็คือว่ามีส่วนร่วมที่จะได้ผลประโยชน์แล้วก็มาแย่งกันใช่ไหมหรือมีส่วนร่วมในทางบวกก็หมายความว่าจะได้ไปร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์ให้สังคมนั้น ดีงามมีความสุขความเจริญอันนี้นี่เป็นด้านบุคคลแต่ว่าพื้นฐานของเขาในตัวเขานั้นก็คือชีวิตชีวิตของเขานั้นเกิดจากธรรมชาติมีร่างกายมีจิตใจร่างกายเขาก็เกิดจากธาตุต่างๆมาประชุมกันเข้าเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นอนินจจังทุกครั้งอนาตานิ้ดนนี้ชีวิตเนี่ยน่ะอันนี้เวลาเราพูดถึงบุคคลเนี่ยเราจะลืมมองด้านชีวิตไปทัางด้านด้านชีวิตนี้สําคัญมาก แล้วถ้าการสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่คนเนี่ยไม่เข้าถึงตัวชีวิตเนี่ยมนุษย์จะพลาดเพราะมันไม่ถึงตัวธรรมะไม่ถึงธรรมชาติเราจะไปมองว่าสนองความต้องการของบุคคลนี่คือการมองคนในแง่เขาอยู่ร่วมสังคมและชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติไม่มีใครปฏิเสธได้นี้ถ้าเราไปให้ประโยชน์แก่ บ, บุคคลประโยชน์นั้นบางทีไปขัดกับประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตใช่ไหม เสียหายแน่บางทีประโยชน์ที่เกิดแก่ บ, บุคคลนั้นไปทําลายประโยชน์กับชีวิตไปทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของเขาใช่ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นอย่างปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มาแยกศาสตร์ต่างๆเป็นด้านๆเป็นมนุษยศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยพอพวกสังคมศาสตร์แกก็มองในแง่คนกับสังคมไอ้คนที่แกมองคือบุคคลแกไม่ได้มองคนในฐานะชีวิตใช่ไหมแกพูดว่าคนเนี่ยแกยังไม่ชัด พวาจริงแกคนแกมองคนในแง่บุคคลท่านั้นไปนแง่บุคคลในสังคมเช่นเศรษฐศาสตร์ก็เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์แกก็มองในแง่ว่ า, อ, าอ้าวโอ้เศรษฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของวัตถุเสพบริโภคที่สนองความต้องการเขาบุคคลนะ่ะพอแกบอกว่าให้สนองความต้องการเขาบุคคลได้แล้วก็อพอแล้วนะ่ะจุดหมายของเศรษฐศาสตร์จะเป็นกันนะฮะสนองความต้องการของบุคคล อาชีพนี้บุคคลมันต้องการแบบไหนล่ะใช่ไหมมันต้องการอร่อยกินอาหารให้มากอ้ามุสนองความต้องการขเขามันก็ไปสิให้มันกินให้อร่อยให้มันมากที่สุดใช่ไหมอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแหละเราจะมีเศรษฐศาสตร์ที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญจะได้สนองความต้องการเขาบุคคลได้เต็มที่อยากได้กินและยิ่งระบบทุนนิยมใช่ไหมสนองความต้องการเขงแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกนชนมีอยากกินเท่าไหร่กินเท่านั้นอันนี้นอกจาก สนองความต้องการนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจะสำฤทธิ์ผลวัรุ่จุดหมายได้ยากอีกด้านหนึ่งก็คือว่าตัวเขาเองแหละเป็นภัยอันตรายสนองความต้องการไม่มีขอบเขตแต่ทีนี้ถ้าเรามองไอ้เจ้าคนเนี่ยไปถึงชีวิตของเขาใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยว่าอะไอ้ที่เศรษฐศาสาตร์ไปสนองความต้องการของคนนั้นนะ่ะมันควจะสนองจุดไหนสนองในแง่บุคคลที่อยากจะกินอร่อยแค่ไหนแล้ว สนองความต้องการของชีวิตที่แท้ก็คือว่ไอ้เจ้าชีวิตนี่มันต้องการสุขภาพดีแข็งแรงถูกไหมเมื่อเราต้องการสุขภาพดีแข็งแรงนี่เศรษฐศาสตร์ควรจะสนองความต้องการของชีวิตที่จริงกับของบุคคลที่ต้องการอร่อยในแค่ไหนใช่ไหมและความต้องการอันไหนเป็นตัวแท้ที่เป็นประโยชน์แท้จริงนี่ที่เข้าถึงตัวธรรมะใช่ไหมก็อาจจะเศรษฐศาสตร์ก็จะพัฒนาในแง่ว่าโอ้ไม่ได้หรอกเราต้องพยายามเข้าถึงไอ้ตัวการสนองความต้องการที่แท้จริงของชีวิตให้ คนเนี่ยได้อยู่ดีกินดีคือการที่เขามีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีถ้าเป็นเรื่องของการสนอ ง, องความต้องการวัตถุนี้คือชีวิตเขาดีร่างกายเขามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอาจจะมองต่อไปว่าอ้อเพื่อเขามีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วเขาจะได้ไปใช้ชีวิตนี้ทําประโยชน์แล ะ, ะอะไรสร้างสรรได้ไม่ใช่จบแค่ว่าสนอ ง, องความต้องการทางวัตถุเสพแล้วก็จบใช่ไหมโดยไม่รู้ว่ามันเสรเพื่ออะไรนั้นเวลาไปแยกพุทศาสตร์ต่างๆนี่ไปเป็นความ ชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยมันก็เลยเกิดโทษอย่างที่ว่านี่มองไม่ตลอดแต่พวกสังคมศาสตร์ก็มองแค่คนในฐานะบุคคลในสังคมแล้วก็จบก็เลยไม่มาเชื่อมกับความจริงของธรรมชาติและอย่างนี้ประโยชน์ที่แท้จะเกิดได้ยังไงใช่ไหมแล้วมันจะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อย่างไรเพราะนั้นความจริงมันจึงต้องเป็นระบบที่เขาเรียกว่าบูรณาการเวลานี้มนุษย์ก็เริ่มขอยเห็นความจําเป็นของบูรณาการแล้วว่าเอะ ไอ้ระบบของการแยกส่วนมาเป็นด้านๆชํนานาญวิเศษนี่มันไม่พอแล้วแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ได้เช่นเศรษฐศาสตร์แก้ปัญหามนุษย์ไม่ได้เป็นต้นแก้ได้แค่ว่าความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดว่างั้นอ้าวสนองความต้องการที่ไปสนองความต้องการนี่หมายถึงอะไรแกก็นึกว่าความต้องการของบุคคลที่แกไม่สามารถแยกว่าเป็นความต้องการของชีวิตกับความต้องการของบุคคลมันต่างกันยังไงเป็นต้นแกก็ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐศาสตร์ ขึ้นไปโยงกับความจริงของธรรมชาติได้ดฉะนั้นปัญหาอันนี้มีอยู่ตลอดเวลาก็จะ ต, ต้องอาใช้ตัวเนี่ยตัวการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติตัวธรรมะเป็นหลักอันนี้ในทางพุทธศาสนานี่เรามีระบบที่ถือตัวธรรมะความจริงของชีวิตมนุษย์ของโลกมนุษย์ระบบความสัมพันธ์ใหญ่ทั้งหมดชีวิตมนุษย์คืออะไรต้องการความดีงามยังไงจุดหมายคืออะไรใช่ไหม มองอันนี้ให้ชัดก่อนเมื่อมองชัดแล้วการจัดวางระบบมันมาสนองอันนี้หมดเลยมันก็จะได้นี่ก็ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องว่าในเมื่อคนนี่มีสองด้า น, นด้านที่เป็นบุคคลเป็นสมาชิกของสังคมและก็ด้านที่เป็นชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาตินคนนี้ก็เลยเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติกับสังคมมนุษย์ใช่ไหม เวลาเรามองสังคมมนุษย์แล้วมองไปที่ตัวคนแล้วมองให้เห็นทั้งสองส่วนเนี่ยเราจะมองโยงไปที่ธรรมชาติด้วยแล้วมองคนในฐานะเป็นชีวิตแต่เขาเป็นบุคคลด้วยแล้วก็โยงไปหาสังคมด้วยมันจะไม่พลาดไม่ใช่มองแค่ด้านเดียวนี่ในประวัติศาสตร์ทางวิชาการและอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยจะเป็นการมองแยกครึ่งซี่กันที่ว่าคือมองแค่คนกับสังคมก็ไปด้านเดียวบางทีก็มองแค่ชีวิตด้านเดียว ชาวพุทธเราเองก็มีแนวโน้มต้องระวังเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจหลักธรรมวินัยเนี่ยก็จะมองด้านเดียวเวลานี้ก็ยังมีความเน้นหรือว่าการมองแคบ น, นี่เรามองว่าคนในฐานะเป็นชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยมันรับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติเมื่อชีวิตรับผิดชอบเป็นไปตามกฎธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแต่ละชีวิตเมื่อเรามองไปที่คนมันก็เลยเป็นปัจเจกชน ชีวิตแต่ละคนนี่รับผิดชอบต่อกฎธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะเราทํากรรมดีทางกายทางวาจาทางใจนะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเรานี่เรียกว่ากรรมใช่ไหมผลกรรมก็เกิดขึ้นแต่ละชีวิตแต่ละคนก็รับผิดชอบกรรมของตนเองนี่เป็นเรื่องแต่ละบุคคลถ้าเรามองในแง่นี้เนี่ยมันจะเน้นในแง่บุคคลซึ่งเป็นความจริงตามธรรมชาติคือด้านธรรมะนั้นด้านธรรมะเนี่ยจะเน้นปัจเจกกับชน แล้วก็เพราะว่ามันออกมาจากจิตใจเป็นใหญ่ก็จะเน้นด้านจิตใจใช่ไแต่ที่จริงไม่ครบนะมันต้องมีพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่เราเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเพราะมันเริ่มที่ในใจมันก็เลยเน้นที่จิตใจเวลาเมื่อเน้นที่ตัวบุคคลนะเน้นที่จิตใจนั้นะถ้าคนที่มองด้านเดียวของพุทธศาสนาคือด้านธรรมะเนี่ยก็อาจจะเกิดคาพูดทานองเนี้ยโอ้จะเอาอะไรกัน สังคมมนุษย์นี่ถ้าทุกคนเป็นคนดีมันก็ดีเองเพราะงั้ น, นนะอันนี้ใช่มจริงไหมถ้าทุกคนเป็นคนดีสังคมมันก็ดีเองถูกไม่ถูกถูกนะถูกแต่มันทำให้เราไม่ไม่มีวิธีการไม่ก้าวไปสู่การปฏิบัติใชม่มันก็หยุดแค่ไ น, นเออกถ้าทุกคนดีมันก็ดี ก็แต่ละคนก็รับผิดชอบกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติอันนี้ถามต่อถ้าวินัยจะถามต่อวินัยจะถามต่อแล้วทําไงจะให้แต่ละคนเป็นคนดีเออวินัยจะไม่หยุดแค่นั้นเพราะว่าถูกแล้วพระพุทธเจ้าคนพบความจริงก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระองค์มาสั่งสอนแล้วพระองค์ต้องคิดว่าทํายังไงจะให้ธรรมะเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนมากมายนี่แหละการทําขั้นนี้ได้เป็นวินัยใช่ไหมเนี่ย อันนั้นวินัยจะมาต่อตอนแรกพูดในแง่ธรรมะเราจะบอกว่าโอ้ก็ถ้าทุกคนดีโลกมนุษย์สังคมมันก็ดีเองอนีนแวินัยจะถามว่าแล้วทำไงจะให้แต่ละคนดีอา้าวต้องจัดจัดสารวางระบบหนึ่งจัดสภาพแวดล้อมระบบการเป็นอยู่ให้ปิดกั้นโอกาสที่เกิดความชั่วเนเอาแล้วนะหนึ่งนะจัด จัดวางวินยัยระบบระเบียบชีวิตของการดําเนินชีวิตของเรานี่เพื่อจะให้เป็นชีวิตที่มีการฝึกตนเองเป็นชีวิตที่ปิดกั้นโอกาสในการไหลไปทางชั่วใช่ไหม น, นี่เกิดวินัยแล้วแล้วก็ น, นอกจากเฉพาะตัวแล้วชีวิตในการอยู่ร่วมกันละ่ะทําไงเราจะอยู่ร่วมกันแล้วเป็นการเอื้อต่อการไม่เบียดเบียนกันไม่ทําร้ายกันแล้วก็ชักจูงกันไปทางที่ดี นะมีระบบ ก, การสั่งสอนมีอุปชาอาจารย์มีครูมีอาจารย์คนนั้นมีความรู้เพื่การศึกษาดีกว่าพัฒนาดีกว่าจะได้มาช่วยสอนคนนั้นคนนั้นก็จะได้รู้ขึ้นมาแล้วก็จะพลอยไหลไปทางดีนะีอะไรต่างๆจัดสภาพแวดล้อมเนะี่ยอย่าให้มีสิ่งโ ย, ยโยนอย่าให้มีแรงอบายยามุกมากใช่ไหมจัดให้มันดีสภาพแวดล้อมมันเอือ้อมาปิดกั้นโอกาสในทางเสียหายไม่ใช่ไปเที่ยวปล่อยให้เปิดโอกาสในความชั่วเต็มไปหมดเนะีเพราะปิดกั้นโอกาสในทางชั่วแล้ว เสริมโอกาสในทางที่จะดีใช่ไหมเออระบบความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมอะไรจอะไรมันดีหมดเพราะจัดอย่างนี้มันก็ทําให้คนมีทางที่ดีขึ้นใช่ไหมนี่คือวินัยเข้ามาแหละเพราะนั้นวินัยก็มาเป็นตัวช่วยให้ธรรมะนี่ออกผลในชีวิตและสังคมมนุษย์ถูกไหมอันนี้ใครเก่งก็มาจัดวินัยให้ดีสิอย่าไปท้อใจแค่ว่าเออคนแต่ละคนมันดีสังคมก็ดีเองแล้วมันไหลจะเกิดอย่างนันเลยใช่ไหม อันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าเออฉันรู้ธรรมะฉันก็เลยเข้าถึงความจริงอย่างนี้แล้วคนอื่นก็รู้ก็จะเป็นอย่างฉันแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมพระพุทธเจ้าทําด้วยคือก็มาดําเนินการในขั้นวิ น, นัยอันนั้นมองพุทธศาสนาจะต้องมองให้ครบมองว่าหนึ่งในขา้นที่ว่าตัวธรรมะความจริงตามธรรมชาติแต่และชีวิตรับผิดชอบเป็นไปตามกฎนี้และสองเพื่อให้มันมีผลจริงจังในสังคมมนุษย์ ให้มนุษย์จำนวนมากได้รับประโยชน์จากธรรมะนี้จัดตั้งวางระบบขึ้นมาเนี่ยทนี้ขั้นที่ขั้นที่หนึ่งก็สําคัญใช่ไหมต้องรู้ธรรมะต้องรู้ความจริงถ้าไม่รู้แล้ววินัยการจัดตั้งก็ผิดพลาดหมดไม่ได้ผลดีไร้ความหมายแต่ว่าได้แต่ธรรมะแล้วไม่มาจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบชุมชนและสังคมมนุษย์ธรรมะนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากแต่ว่าถ้าไม่รู้ธรรมะ ถ้ามันไม่รู้ธรรมะจัดวางวินยัยขึ้นในวินัยนั่นก็ผิดพลาดไม่ได้ผลจริงเหมือนกันนะฮะนั่นก็ต้องประสานทั้งสองส่วนต้อง 1. รู้ธรรมะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติแล้วสก็มีความสามารถในการจัดตั้งวางระบบถ้าได้ครบอย่างนี้นี่คือพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการในสังคมทุกยุคทุกสมัยอารยธรรมมนุษย์นี่พยายามแสวงหาพยายามขนขวายหาสิ่งนี้มาตลอดประวัติศาสตร์ <c oughs> ก็ยังไม่บรรลุผลอยู่แค่นี้เอง คือเพื่อให้ได้ธรรมะกับวินัยเท่า น, นั้นที่มันถูกต้องก็เลยอยู่แค่ธรรมะก็อยู่แค่ทฤษฎีวินัยก็เป็นระบบต่างๆท า, างสังคมที่แยกส่วนเป็นด้านๆที่ไม่สามารถประสานเป็นอันเดียวกันได้ น, นนี้ถ้าเราได้หลักนี้เราก็พยายามมาช่วยในสังคมมนุษย์ขึ้นมาด้อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าต้องมองให้ครบสองด้านที่นี้ชาวพุทธเองก็มีข้อบกพร่อง ที่เวลาเนี้ยไม่ได้มองภาพพุทธศาสนาแบบนี้เช่นมองแง่ธรรมะด้านเดียวก็เลยมองเป็นในแง่เป็นเรื่องของบุคคลไปแต่ละบุคคลก็รับไปชอบแต่ละคนก็มีกรรมของตัวเองเป็น ไ, ไปตามกรรมใช่ไหมอันนี้วินัยเนี่ยมันจะมาช่วยเสริมอันนี้อย่างเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยถ้าคนไม่รู้หลักธรรมวินยัยก็มองด้านเดียวเช่นบอกว่ามีพระทำความผิดนะก็บอกว่าอแล้วท่านก็ได้รับผลกรรมของท่านเองอย่างนี้ คนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าพูดตามความหมายของธรรมะใช่ไหมคือกรรมเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตนี่เป็นไปตามกฎธรรมชาติกรรมนันเป็นกฎธรรมชาติใช่การกระทาเป็นเหตุให้เกิดผลเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเขาทำอะไรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแล้วก็มีผลเชื่อมโยงไปในระบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ในธรรมชาติมีปฏิกริยากลับมามันก็เป็นไป โดยกฎธรรมชาติเองอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเขาที่เรียกว่าเป็นไปนตามกรรมแต่ว่าพระพุทธเจ้าจัดตั้งวางระบบขึ้นมาเพื่อให้เนี่ยเพื่อให้มันมีปัจจัยที่มาช่วยเรามีปัจจัยชนิดจงใจจัดเข้ามาเลยไม่ใช่ปล่อยไปตามปัจจัยที่มันจะมีข้งมันรด้วยเปื่อยวินัยแล้วเราจัดปัดจจัยบางอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยหนุนให้มันเป็นไปนในทางที่เราประสงค์เลยดันั้น ก็มีสงฆ์มีวินัยมีกฎเกณฑ์กติกาว่าถ้าใครทำความผิดแล้วจะต้องจัดการอย่างนี้ใช่ไหมดั น, นั้นถ้าหากว่าตามธรรมะก็คือชีวิตของคนที่ทำกรรมนั้นก็จะเป็นไปนตามกรรมได้รับผลกรรมของเขาเองนะแต่ในแง่ของสังคมมนุษย์วินัยเราไม่พูดอย่างนั้นถ้ามีใครทำความผิดเช่นพระทำความผิดว่าโอ้เดี๋ยวท่านก็นรับกรรมของท่านเองวินัยไม่บอกวินัยบอกเอามาจัดการเลยใช่ไห เพราะนั้นคนที่พูดบอกว่าแล้วทำกันรับกรรมท่านเองนี่แสดงว่าไม่เข้าใจหลักการพุทธสอนนะอันนี้ทําไงสังคมมันจะอยู่ดีได้ก็ต้องอาศัยระบบ ก, การจัดตั้งเราไม่รอแต่เพียงปัจจัยที่มันเป็นไปตามเรื่องที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะคนเรานี้เป็นปัจจัยได้นี่ใช่ไหมก็ปกฎธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระ บ, บวนการของเหตุปัจจัย มนุษย์เรามีปัญญาเนี่ปัญญาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใช่ไหมทําไมไม่เอาปัจจัยปัญญานี้เข้าไปใช่ล่ะเอาปัญญาเข้าไปเป็นปัจจัยในกระบวนการนี้ด้วยสิแล้วปัญญานี่ก็ออกผลเป็นการปฏิบัติใช่ไหมเป็นการกระทําเมื่อมนุษย์เข้าไปในกระบวนการของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติมนุษย์นั้นก็กลายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติด้วยจริงไหมใช่ไหมวินัยก็เอานี่แหละวินัยก็เป็นการจงใจเลย เอาปัจจัยเพิ่มเข้าไปในกระบวนการของธรรมชาติคือปัจจัยฝ่ายมนุษย์เช่นสติปัญญาเป็นต้นและวิธีปฏิบัติวิธีการที่ชาญฉลาดเพราะฉะนั้นเวลาพระทำคามผิดพระพุทธเจ้าก็วางกฎกติกาวไว้พุทธบัญญัติว่าภิกษุทาละเมิดอันนี้มีความผิดสถานนั้ น, นถ้ามายอมรับสงจัดการมีกระบวนการวิธีปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไมนี่ก็คือว่าเอา การกระทําเอาสติปัญญาหรือเอามนุษย์ทั้งตัวเนี่ยเข้าเป็นเข้าไปเป็นปัจจัยร่วมในกระบวนการของกฎธรรมชาติเพื่อให้ออกผลไปสนองสติปัญญาของมนุษย์นะให้เป็นไปในทางที่พึงประสงค์นี่แหละเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนความสามารถของมนุษย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นวินยัยเระพูดอีกอย่างหนึ่งเรางจึงบอกได้ว่าวินัยก็คือการนําเอาปัจจัยฝ่ายมนุษย์เข้าไปร่วมในกระบวนการของกฎธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยนั้น ให้ออกผลในทางที่พึงประสงค์ที่มนุษย์มองเห็นด้วยสติปัญญาว่าควรจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วตกลงวินัยไม่ได้ขัดกับกระบวนการกฎธรรมชาติถูกไหมขัดไหมไม่ขัดใช่ไหมเป็นแต่ความสามารถที่เอาปัจจัยเพิ่มเข้าไปในกระบวนการธรรมชาติเท่านั้นเองเรื่องอะไรจะไปปล่อยแ ล, แล้วตัวเองมีสติปัญญาแล้วไม่ทําใช่ไมเพราะนั้นฝ่ายวินัยจึงไม่รอ ถ้ามีผู้ทำความผิดก็จะไม่ปรงว่าโอ้แล้วเขาก็รับผลกรรมเขาเองพระเจ้าก็จะบัญญัติกรรมฝ่ายของวินัยขึ้นมากรรมฝ่ายธรรมะมันก็เป็นกรรมตามกระบวนการตธรรมชาติส่วนกรรมในวินัยนี้จะมีหลายกรรมเลยมีตัดชนิยกรรมมีนิกขากรรมชื่อรวมนิกขากรรมแล้วมีตัดชนิยกรรมปฏิสารานียกรรมมีอุเคปานิยกรรมกรรมในวินัยเยอะหมดเลย กรรมของวินัยนี่ไม่ต้องรอกรรมฝ่ายกฎธรรมชาติไม่ต้องรอกรรมฝ่ายธรรมะกรรมฝ่ายวินัยนี่เป็นเรื่องสังคมจัดการเอาเลยมีอะไรเกิดขึ้นจัดการเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็แยกกรรมฝ่ายธรรมะกับกรรมฝ่ายวินัยกรรมฝ่ายวินัยเอาเลยแล้วก็พอทําได้ดีก็กลายไปเป็นส่งเสริมธรรมะใช่ไหมเออคือคือเอาปัจจัยฝ่ายมนุษย์เข้าไปร่วมในกระบวนการของเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ ให้กระบวนการของธรรมชาตินั้นเป็นไ ป, นปนในทิศทางที่เกิดผลดีงามแก่มนุษย์ใช่ไหมนี่คือความสามารถนี่แหละเราจึงยกย่องพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เพราะมีทั้งธรรมะและวิ น, นัยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สังคมมนุษย์ก็ไม่ได้ข้ามพ้นอันนี้ไปไม่มีอะไรมากกว่า น, นี้ใช่ไหมแค่จะให้ได้เท่านี้ก็ยังทาไม่ได้นะเอาบางนะมีอะไรสงสัยไหมครับ ในานะขอปัญญาอย่างน้อยนะครับจลองคืออย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นผูท้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการลงโทษสมคุณว่ามีคนกระทำผิดอย่างนี้นะคะถ้วเราตัดสินใจคือโดยใช้วินัยลงโทษเขา อ, อย่างเช่นอาจจะต้องติดคุกหรือจะต้องผ่านชีวิตเพื่อที่จะระะักษาระเบียบในสังคมให้อยู่ใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นความผิดเปลีตัวเราไปหรือเปล่า่างเช่รา ก็ใช่ไหมจะเป็นพาติติตัวเราไปหรือเ่เพราะว่าอย่างในสมัยของคุาคคือในสมัยพระเตมีท่านทรงจกได้ว่าท่านเคยตัดสินให้คนรับโทษนะว่าท่านซ้อมไปในรตั้งไปมลนีนะครอ๋อก็มีข้อพิจารณาสองชั้นชั้นที่หนึ่งตัวกฎกติกาบัญญัติที่รวมเป็นวินัยในสังคมนั้นเป็นไปโดยชอบตั้งอยู่บนธรรมะจริงหรือเปล่าหนึ่งแล้วนะฮะใช่หม อันนี้เป็นปัญหาตลอดนะฮะคือหนึ่งไอ้วินยัยเช่นกฎหมายเป็นต้นนะตั้งขึ้นด้วยสติปัญญาที่รู้ธรรมะจริงหรือเปล่าหนึ่งในชะ่ไหมเพราะว่าอาจจะตั้งถูกต้องต้องรู้ธรรมะรู้ความจริงสองตัวเองพูดวางกฎหมายมิเจตนาบริสุทธิ์หรือเปล่าที่เคยพูดกันไปแล้วบางทีแม้นะมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะทำให้เกิดกฎหมายที่มันวิปริตต่างๆนี้ นี่ในขั้นวางเลยนะฮะกฎหมายในกติกาอะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องดีหรือเปล่าสองผู้ใช้เวลาเราใช้จิตใจเราบริสุทธิ์ไหมใช่ไหมทได้ไหมไม่มีความรู้สึกประสงค์ร้ายหรืออะไรต่อผู้ที่ถูกพิจารณาโทษบริสุทธิ์จริงๆถ้าบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันจะเข้าหลักที่มาในพระสูตรในพระไจรป ด, ดุกเลยผมอาจจะเคยเล่าแล้วก็ได้แต่เล่าซ้า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆพระอานุ์ยังอยู่อันนี้ก็วันหนึ่งพระอา น, นุ์นี่อยู่ที่วัดก็กําลังสนทนาปราศัยอยู่กับพรามณ์คนหนึ่งเข้าไปหาท่านรู้จักชื่อโคบกะโมกคันลานพราหมณเข้าไปสนทนากับพระอานุ์ก็ถามโน้นถามนี่พระอนุ์ก็กําลังตอบอยู่พอดีมหามาชื่อวัศการพราหมณ์ตัวสําคัญวัศกาพลพราหมณ วสการรพรามนี่แกก็เที่ยวตรวจราชการใช่ไหมแกก็ผ่านมาทางวัดแกก็เแวะวัดสัหน่อยนะีแกก็เข้าไปหาพระอานนท์แล้วก็เข้าไปสนทนากับพระอนนทนะ์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าปรินิพพานใหม่ๆแล้วพอดีพรามกําลังสนทนาอยู่แกก็ไปฟังต่อแกก็ต่อเรื่องตอนนั้นสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องว่าเออพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่ แพระพุทธเจ้าตั้งใครเป็นประมุขสงฆ์แทนพระองค์เอาแล้วนะพระนรนก็ตอบบอกว่าไม่ได้ตั้งนะวัศกาละพรามก็ไปได้ยินเขาวัศกรารละพรามก็บอกเอ๊ะ เ, เ, เราเป็นนักปกครองนี่การปกครองมัต้องมีหัวหน้ามีผู้นำใช่ไหมมีประมุขแล้วก็ปกครองไนดะ้ยังไงแล้วอยู่กันได้ยังไงไม่มีหัวหน้าพระพุทธเจ้าไม่ตั้งใครเป็นหัวหน้าวัศกาละพรามก็ชักนึกไม่ดี ก็เลยถาม อ, อมาอย่างนี้บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะอยู่ก็จยังไง้วไม่มีหัวหน้าพระนนท์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการไว้ให้ว่าภิกษุใดประกอบด้วยคุณสมบัติสิบประการ น, นี้เรียกว่าเทรธรรมภิกษุทั้งหลายก็ควรจะยกย่องเชิดชูพระภิกษุนั้นขึ้นมาเป็นผู้ที่สมควรจะได้เคารพนับถือเชื่อฝังคาก็คือเป็นหัวหน้าใช่ไหมอ่า พระหนุนก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครจริงแต่พระองค์วางหลักการมาให้เงี้ยเพราะนั้นภิกษุทั้งหลายก็ดูภิกษุไหนมีคุณสมบัติสมบัติตามนี้ก็ยกย่องขึ้นเท่ากับเปน็นหน้าพราม์ยอมรับใช่ไหมเออถ้าแบบของเขาก็ต้องมีสืบตระกูลใช่ไหมพระเจ้าอชาศัตรูพอพระเจ้าอาชาศัตรูสิ้นแล้วใครจะมารับก็ลูกใช่ไหมแต่ว่าวงพระเจ้าอาชาศัตรูนี้ฆ่ากันหมด พระเจ้าชาติศัตรูนี่ก็ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารพ่อตัวชาติศัตรูเองลูกชื่ออุทยพัฒก็ฆ่าพ่อเองกันก็ขึ้นสืบตระกูลอีกนะแล้วลูกอุทยพัฒก็ฆ่าอุทยพัฒต่ออยูดูจะฆ่ากันอยู่เจ็ดชวกก่วงกษัตริย์จึงได้ถูกพกอมมัดและราษฎรจับถอดเลยนะเขาเบื่อเต็มทีว่าฆ่าพ่อกันมาตลอดทีนี้เอาละ นี่ฝ่ายเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายของพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าวางหลักการไว้ให้อ้าวทีนี้ต่อไปก็พูดถึงวิธีการบริหารปกครองพระนนก็เล่าถึงว่า15วันเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตหนึ่งเนี่ยก็จะมาประมาประชุมพร้อมกั น, นแล้วก็มีอะไรที่ใครทําผิดก็มาพิจารณากั น, นมาทบทวนกันเรื่องของ บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้เรียกก็าปาติโมกข์ใครทำผิดก็ว่าไปทำผิดทีนี้ถ้ามีภิกษุทำความผิดสงก็จัดการใช่ไหมท่าเรียกว่าให้ผู้ทำความผิดนั้นปฏิบัติไปตามธรรมนนี้การที่ลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ถือว่าภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหรือแม้แต่สงนั้นลงโทษภิกษุนั้น ถือว่าธรรมะลงโทษ ธ, ธรรมะในที่นี้ก็คือตัวหลักการเช่นบทบัญญัติในวินยัยภิกษุทั้งหลายหรือสงฆ์หรืที่ประชุมนั้นเป็นเพียงกระบอกเสียงให้แกบตัวธรรมะใช่ไหมคือผู้ลงโทษนั้นคือตัวบทบัญญัตินั่นเองตัวหลักการนั่นเองเป็นผู้ลงโทษภิกษุทั้งหลายไม่ได้มีเจตนาไปมุ่งร้ายต่อภิกษุรูปนั้นอะไรทั้งสิน้นใช่ไหมทำไปตามกติกาหรือหลักการเนะีเพราะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะลงโทษ ภิกษุทั้งหลายก็ดีสงฆ์ก็ดีไม่ได้ลงโทษนี่คือทำด้จิตที่มีปัญญาพร้อมและบริสุทธิ์ใจจริงๆใช่มแต่ยังงั้นเมื่อทำไปตามนี้แล้วก็ธรรมะลงโทษเขาใช่หมแต่นวิสัยปุุ้ชนนี่สมมติว่าจะลงโทษประหารชีวิตเนี่ยจิตมันวางไม่ได้ถึงขั้นนี้ใช่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีบาปแต่ว่ามันจะแต่ว่า ตราบใดที่ยังลึดยึดหลักการนี้คือว่าเจตนาบริสุทธิ์ที่สุดและปฏิบัติไปตามตัวหลักการที่วางไว้จะมีบาปน้อยที่สุดเลยนี่แหละอุเบกขาหนึ่งตรงจุดนี้เนี่ยฮะ<ช>ผมมีความคิดที่กรอยากจะถามอย่าง<ช> น, นี้ ก, นนก็แม้กระทั่งพระวินัยเราเนี่ยนะ<ช>พระธรรมที่สูงสุดเนี่ยท่านปราชิบพระคุสัจจะความเป็นธรรม ชีวิตนั้นไม่ก็ยังมีอยู่<ช>นะฮะถ้าเราเปรียบเทียมโดยยึดหลักของธรรมในข้อ<ช>นี้นะฮะถึงแม่บุคคลจะทําผิดกฎของสังคมก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะรักษาชีวิตของเขาไว้แต่ให้เขาจํากัดขอเขตหรือสภาพของเขาให้มันเหมาะสมก็ก็ <ปะ S 1> ถ้าเป็นสังคมที่ไม่ประมาทไม่เป็นสังคมที่ขี้เกียจครับือถ้าสังคมไม่ขี้เกียจก็จะพยายามหาทางว่าทําไงจะให้เจ้าคนเนี้ยมันดีขึ้นได้นี่ถ้าสังคมขี้เกียจก็ตัดปัญหาไ ป, เ, ปเลยข่ามันทิ้งหมดเรืลยทีนี้อยู่ที่ว่าสังคมจะขี้เกียจไหม เพผมเกงถ้าเรายอมรับนะฮะว่ า, า, าก็จัดกานนันเป็นเรเลยเนี่ยเราก็ลเอาความรับหมั่นเข้าไปทำเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะ <uld mass ive> อีกหน่อยเพเราะเห็นอะไรเข้าเนี่ยเราก็คิดแต่ว่าเราก็ดําเนินการอย่างนั้นสังคมก็ยิ่งไม่พัฒนาใหญ่เลครับก็นั่นแหละเรียกว่าประมาทแต่ว่าบางทีเขาคิดอีกอย่างหนึง่งคือเขาคิดว่ามันจะได้เป็นแบบอย่างไว้จะได้คนอื่นได้กลัวใช่ไหมคือว่าฆ่าไก่ให้ลิงดูใช่ไหมไอ้เจ้าลิงทั้งหลายมันจะได้ กลัวใช่ไหมเพราะว่าไอ้ข้าจะคนนี้แหละคนอื่นมันก็โอไม่ได้ถ้าเราไปทํามันนี้เขาจะถูกฆ่าใช่ไหมอาศัยความกลัวกระหมาอมความใช้กิเลสเขาุูุชนมาใช้ประโยชน์จากกิเลสเขาุูุชนก็คือความกลัวเนี่ยมาสร้างระเบียบในสังคมถูกไหมที่ที่เขาคิดว่าลงโทษประหารชีวิตนี่ก็เพื่ออันนี้เด่นนะครับทาก็ไม่ได้ใช้ธรรมะสูงสุดน ะ, ะก็ก็ <S <S 2> <S 2> ไม่สูงสุดถ้าว่าไปก็เท่ากับยอมรับว่าเราไม่มีความสามารถมากกว่านี้ไนงะ หลักธรรมะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะส่งสมคนได้แล้วก็ขาดหายไปจากการก็สังคมบอกแล้วว่าสังคมนี้ยังขี้เกียจอยู่คือขี้เกียจทําอะไรให้มันยิ่งกว่านี้แม้มันเหนื่อยมันลำบากจริงจริงโคดังความคิดเห็นนะฮะที่ท่านพูดอย่างนั้นอยากจะถามว่าใครจะเป็นคนแก้ไขคนนี้ให้มันดีได้ใช่ไหมมันไม่มีขงจงนี้แหละนี่แหละเป็นคนทอใจเป็นคนที่ทอแล้วนี่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ มีความเพียรก็จะต้องไม่ทอ้อจะต้องหาทางว่าเออทำยังไงจะช่วยในคนนี้แก้ไขใช่ไหมคือเอาง่ายๆกันแล้วการพูดพูดสำนวนรวบรัดก็บอกว่าสังคมมันยังขี้เกียจอยู่เพราะนั้นก็ตัดบทมันเลยไอ้เจ้าหนีมันทําชั่วอย่าให้เป็นแบบอย่างเลยแล้วก็ใช้วิธีนี้เอาความกลัวเข้าไปกั้นในคนอื่นซะถ้ามังั้นเราต้องเพียรกว่านี้เยอะนะต้องหนึ่งเพียรว่าแก้ไขในคนนี้ยังไงสองก็คือว่าจะใช้วิธีอื่นยังไงเพื่อจะให้ ป้องกันคนอื่นไม่ให้ทําช่วยอย่างนี้ใช่ไหมนี่การลงโทษรุนแรงมันก็เลยเป็นที่เถียงกันอยู่อย่างอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยรัฐโน้นไม่มีโทษประหารชีวิตแล้วแนวโน้มของสังคมอเมริกันในยุค ก, ก่อนนี่จะเป็นแนวโน้มที่ค่อยๆเลิกโทษประหารชีวิตจนกระทั่งเหลือไม่กี่รัฐใช่ไหมครับรัฐส่วนมากไม่มีโทษประหารชีวิตมีอยู่ไม่กี่รัฐที่ลงโทษประหารชีวิตแต่ตอนนี้ชักกลับ พอมีอาชญากรรมมากๆขึ้นชักมีการพิจรารณาจะเอาโทษประหารชีวิตกลับมาอีกแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมันก็จะมีไอ้เรื่องนี้ความไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธียังไงเพราะฉะนั้นระบบวินัยเนี่ยมันจึงขึ้นต่อการความสัมพันธ์กับธรรมะเนี่ยว่าความเข้าใจในธรรมะเนี่ยจะแค่ไหนใช่ไหมและความเพียรในการฝึกฝนมนุษย์เนี่ยแต่ว่าถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วความจริงก็มีอยู่ว่า เมื่อฆ่าก็ต้องบาปถูกไหมถ้าเราไม่ต้องการให้มีบาปเลยก็ต้องไม่ฆ่<ช>เ<ร>าเขาต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนเราก็ไม่รู้แหละจะเอาไหมล่ะความจริงว่าอย่างนี้เราจะเอาเอาอยัางไงมันสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งคือความจริงเป็นอย่างนี้ขั้นที่สองเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นจะเอาอยัางไงแต่บางคนก็บอกว่าไอ้ความจริงคือบาปแต่ฉันจะยอมบาปแล้วแต่ว่าจะอย่าไปปฏิเสธความจริงมีพระองค์หนึ่งท่านพูดในที่ชุนเขาถามปัญหา ท่านบอกว่าไม่บาปยังท่านจะพูดเมื่อกี้เนี่ยะทำโดยความไม่ดีส่วนคนมาให้สุดแต่ผมมาดูในในในเรื่องของกรรมแล้วนะบาปบาปนี้เรียกว่ากระตัตากรรมสักแต่ว่าทําเมื่อไม่ให้ผลอย่างอื่นไม่ผลหมดแล้วนะกรรมนี่จะแสดงผลนี้พูุทธะไม่พูดง่ายๆพูดตามหลักนะพูดง่ายคือเจตนามันมีถ้าเจตนาที่ฆ่ามันมีเมื่อเจตนาฆ่าหิมันก็เลยบาป อันนี้ก็เป็นตัวกรรมตามธรรมชาติเนี่ยทีนี้ว่าก็อยู่ที่ว่าจะทำไงให้จิตบริสุทธิ์ได้ดีที่สุดบาปจะน้อยที่สุดเข่าใจไหมเข็ง ท, ท, ที่มันมีอยู่ในสองประเด็นตรง น, นี้มันอยู่ตรงที่ว่าคนที่คิดจะฆ่าแต่ไม่ยอมรับบาปด้วยครก็ะะจะโยนบาปทิ้งไปด้วยแล้วบอกว่าจะใช้โทษฆ่าแต่ไม่ยอมรับบาปซึ่งก็เลยทําให้คนที่ไม่เห็นด้วยว่าถ้ายึดธรรมะสูงสุดแล้วมันท่ามไม่ได้เพราะาหลักธรรมะสูงสุดความไม่ใช่ไอ้เรื่องความจริงต้องยอมรับนี่คือคือว่า แนวคิดปัจจุบันโดยมากเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้สองชั้น ค, คือแยกในระดับความจริงเป็นความจริงรมนุษย์จะเอายังไงว่ายขั้นหนึ่งนี่พอตัวจะเอายังไงก็หาเหตุผลให้ตัวการกระทำตัวถูกเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็นั่นเองคือต้องแยกให้ได้คือขั้นความจริงพิจารณากันเลยความจริงเป็นยังไงใช่ไหมื่อเป็นการฆ่ามีเจตนาฆ่าก็คือเจตนาทําลายก็เกิดบาป แต่ว่าจะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่เจตนานั้นใช่มแต่ว่าถ้าทาได้แบบที่ว่าอย่างพระนนพูดนะ่ใช่มมันก็ตั้งอยู่ในอุเบกขารักษาธรรมธรรมะลงโทษเขาจิตนี้จะวันไหวน้อยที่สุดใช่จิตจะบริสุทธิ์มากที่สุดเพราะนั้นจะบาปน้อยอย่างยิ่งทีนี้ถ้าหากว่าตัวเอาเจตนานตัวเข้าไปผสมใช่ไม คิดให้หนีตายซัก็ดีงนี้เอาละตัวเองบ้ามากใช่ไหมฮะแล้วตกลงว่าหลักการมาอยู่แล้วก็คืออุเบกขานี่จะเป็นตัวมาช่วยอุเบกขาได้อยู่ได้ด้อะไรก็อยู่ได้ปัญญาถูกไหมฮะอันนั้นก็ได้หลักการไว้ก่อนอค่นี้ว่าก็เรื่องของสังคมมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังมีกิเลสกันอยู่บางทีก็มีความประมาทบางทีก็จเจาง่ายๆกับตัดบทอย่างที่ว่า ในสังคมมนุษย์ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้มากอย่างการที่ว่าจะลงโทษประหารชีวิตจะเอาหรือไม่เอานะฮะพระพุทธเจ้าก็เคยเล่าเรื่องไว้ว่าการแก้ปัญหาของสังคมเนี่ยอย่างในจักรวัตติสูตรพระพุทธเจ้าเล่า เ, เรื่องว่าจักรพรรดิปกครองกันมาจักรพรรดิในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ผู้มีอํานาจมากแต่พร้อมกันนั้นมีธรรมะนะในความหมายพุทธศาสนาไม่เหมือนจักรพรรดิของ ทางบนข้างนอกพระพุทธเจ้าพยายามให้สิ่งที่ชาวโลกเขาต้องการเนี่ยให้เข้ามาสู่แนวทางของธรรมะก็จะบอกว่าจากักรพรรดิจะต้องมีจั ก, กรวัดดิวัตไม่ใช่ว่ามีเพียงอำนาจแล้วก็ปกครองเขาเมื่อมีจั ก, กรวัดดิวัตก็คือมีข้อปฏิบัติประจำ เ, เป็นหลักการซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อใหญ่ห้าข้อในสังคมไทยเราก็มา แยกเป็น12บสองข้อนะเรียกว่าจั ก, กรวรรดิว่า12ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็มีว่าหนึ่งจั ก, กรพรรดินั้นต้องเป็นธรรมทิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่เอาความจรงิงความถูกต้องความดีงามเป็นหลักนะแล้วตลอดจนกระทั่งกฎเกณฑ์กติกาที่วางเป็นหลักขึ้นมาบทจากฐานของความจรงิงความถูกต้องคือจากความเป็นธรรมนั้นวางวินัยนั่นเองทั้งสองขั้นเนี่ยก็ถือหลักการเป็นใหญ่ถือธรรมะเป็นใหญ่ ไม่ใช่ว่าถือผลประโยชน์ของตัวเองหรืออะไรหรือความตามใจปรารถนาของตัวนี่จักรพรรดิจะต้องมีข้อหนึ่งธรรมะธิปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่ต่อไปข้อสองข้อสองก็จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่านี้ท่านก็แยกไปว่าหมู่ไหนบ้างตั้งแต่ภายในวังออกมาคนในปกครองปุถุพัญย า, าเสนาข้าการฝ่ายการปกครอง ฝ่ายทหารฝ่ายพละเรือนอะไรไปจนกระทั่งถึงชาวชนบทคนชายแดนจนกระทั่งมิขปักสีเนื้อละนกวงั้นนะต้องได้รับการคุ้มครองหมดโดยชอบธรรมต่อไปสาบอกว่าต้องป้องกันห้ามปลามกำลาบไม่ให้มีการกระทาที่ผิดธรรมะข้อสต้องจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์หมายความว่าต้องเน้นไปที่คนขาดแผนยากไรจะต้อง หาทางเฉลีย่ยปัญซับให้ทั่วถึงแล้วก็หต้องแสวงปัญญาไม่ใช่ถือดีว่าฉันเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วมีสติปัญญาทําตามที่ตัวคิดเห็นต้องแสวงหาปัญญาต้องไปปรึกษาสมณพราหมณ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่โมลเมาไม่ประมาทนะไปถามไปสนทนาว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควร ท, ทาให้ควรทำอยู่เสมอนี่เป็นจั ก, กรวรรดิวัดหประการนี้จั ก, กรพรรดิแต่ละท่านที่จะขึ้นคลองเนี่ยจะต้องเรียน เพื่อปฏิบัติตามหลักการนี่ต่อมาก็มีจกักรพรรดิท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้สนใจเอาใจใส่ที่จะได้หาความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนและปฏิบัติให้เต็มที่ก็ปฏิบัติบกคร่องปฏิบัติบกพร่องก็เริ่มจากการที่ขาดการเอาใจใส่คนยากไร้ ก, ก็เลยไม่ได้จัดสรรปันทรัพย์เฉลี่ยให้มีกินกันอยู่ได้กันทั่วไปก็เกิดความยากจน พอเกิดความยากจนต่อมาความยากจนก็แผ่กระจายออกไปพอแผ่กระจายคนยากจนก็เลยหาทางอยู่รอดก็อาชญากรรมก็ไปลักขโมยนี่ในพุทธศาสนาจะเห็นว่าเรื่องธางวัตถุพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากในพระสูตรหลายสูตรจะถือเรื่องของการบำรุงทางด้านเศรษฐกิจให้ดีอันนี้พอยากจนแล้วคนยากจนก็เลยไปลักขโมย พอไปลักขโมยต่อมาก็ลักขโมยกันมากขึ้นเพราะความจนมันแผ่กว้างขวางอันนี้จกกักรพรรดิก็เลยเอย้เราปกครองอยังไงละ่ะแล้วก็สอบถามผู้รู้เขาก็าบอกว่าเนี่ยหลักการของการปกครองจกกักรพรรดิที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีอย่างงี้อยเดยเฉพาะข้อที่จะต้องแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ให้มีความยากจนแพร่กระจาย ก็เลยอ้าวต์แล้วเราบกพร่องคอนี้ทำไงล่ะเกิดมีขโมยโจรขึ้นมาแล้วจับมาทีนี้ก็จับมาแต่ว่าจับมาแล้วก็ให้ซับให้ซับไปเพื่อจะได้เขาจะได้เป็นอยู่ได้เพราะแก้ไขปัญหาความยากจนนี้แต่ว่าผลมันไม่ไปเป็นตามที่คาดหมายมันเป็นลักขโมยจับมาแล้วให้เงินทองไป ไอ้คนที่ยากจนอื่นมาได้ตัวอย่างเอ๊ถ้าเราไปลักขโมยแล้วเราก็ได้เงินอย่างนี้เราก็ดีทีเราต้องไปลักของนะแล้วเราก็เราก็จะได้เงิน ก, ก็เกิดคนทําตามกันก็มีคนโจรไปลักขโมยเพิ่มมากขึ้นใหญ่เอ๊ทาไงยิ่งจับมาได้ยิ่งให้ยิ่งมีขโมยมากใหญ่จักรพัฒน์ก็เลยคิดใหม่ไม่ได้อย่างนี้มันต้องตัดต้นตอกันเลย ใช้วิธีกลัวแล้วทีนี้ต้องทําให้มันกลัวต้องตัดต้นตอมันจับมาได้คราวนี้ประหารชีวิตเนี่ยเอาคราวนี้ก็เอาจริงเพราะจับมาลายใหม่นี่ประหารชีวิตเลยพอประหารชีวิตไปใช้วิธีรุนแรงไอ้โจรที่มันขโมยอื่นตอนนี้มันมันมีมากแล้วนะฮะมันก็เอ๊ะถ้าเราถูกจับได้รู้ว่าเป็นใครเราก็ถูกประหารชีวิต เพราะฉะนั้นอย่าให้รู้เลยว่าเป็นใคร น, นั้นพอปล้นปล้นก็ค่าเจ้าทรัพย์เสร็จนี่พอปล้นก็ค่าปล้นก็ค่าเจ้าทรัพย์เอไปกันใหญ่เลยแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จเลยสังคมก็ยุ่งเหยิงเลยเนี่เพราะฉะนั้นจับจุดพลาดแต่ต้นก็เลยปัญหาบานปลายเนี่ยนี่เป็นจักรวัติสูตรพระพุทธเจ้าจัดเล่าไว้ดัง น, นั้นก็ต้องระวังมากเหมือนกันการใช้วิธีรุนแรง เราจะได้ผลแค่ไหนนะแต่ว่าบางทีมันไม่ออกผลรุนแรงแบบที่ว่าได้ผลภายในระดับหนึ่งแต่ไปออกผลอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นข้อนี้ท่าสังเกตอย่างประเทศพวกอาหรับเนี่ยจะใช้วิธีลงโทษรุนแรงตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมฮะลักซั์ตัดมืออะไรแล้วลงโทษก็ฆ่าประหารชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ นะทีนี้ดูๆในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าก็มีการลักขโมยเป็นต้นน้อยเพราะคนกลัวนะแต่ว่าจิตรู้สึกว่าจะรุนแรงใช่เกิดการพิพาทการรบสงครามการก่อการร้ายมากจิตมันร <gerade. S 2> <c oughs> ุนแรงด้วยนเพราะฉะนั้นวิธีการไหนดีที่สุด ก็นั่นสิทำไงจะได้มัชิมาปฏิปาทาแล้วใช้ปัญญาแล้วไม่ขี้เกียจขี้คล้านตัดปัญหาคือหมายความต้องมีความพยายามในการจัดวางระบบสังคมคือวินัยเนี่ยให้ได้ผลดีที่สุดในการแก้ไขคนชั่วร้ายนิสัยร้า ย, ยทำไงจะพัฒนาแก้ไขให้การศึกษาอบรมที่จะทำให้กลับตัวเป็นคนดีหรือดีขึ้น หรือว่าตัดโอกาสใช่ไหมถ้ามันกลับตัวไม่ได้กลับตัวยากต้องหาทางตัดโอกาสมันไม่ให้มันไปทําอะไรได้ไร้ายได้ใช่ไหมแล้วก็ทําในทางส่งเสริมให้มากนะแล้วก็สังคมทั่วไปก็ต้องพยายามปิดโอกาสในเรื่องความชั่วร้ายถ้าขืนปล่อยไปไอ้คนพวกนี้ก็ไม่มีสิ่งที่น่ากลัวว่าตัวเองทําอะไรผิดแล้วก็ไม่กลัวการลงโทษใช่ไหมเพราะมันไม่รุนแร แต่เสร็จแล้วเราไม่มีวิธีการที่จะพยายามกล่อมกล่าวให้เขาอยู่ในความดีพัฒนาตัวเองก็พุทธเสื่อมเสียเหลวแหลกอีกสังคมกันเลย เ, เหมือนกันฉังนั้นสังคมมนุษย์นี่ก็อยู่ที่ว่าทำไงจะจัดด้วยความเพียรพยายามไม่ประมาทเนี่ยที่ยากใช่ไหมเรนบมามันก็จะตัดบทเอาง่ายๆเพื่อให้มันเสร็จเรียบร้อยไปใช้ความกลัวซะเลยเนะีเรนบ้างันก็ปล่อยกันตามสบายก็ไม่ได้จัดไอเรื่องของ ระบบการต่างๆให้ละเอียดประ n ี้ที่จะให้ได้ผลในการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นในที่สุดสังคมมนุษย์ถ้าจะให้ดีจริงๆก็เป็นสังคมที่ต้องมีการฝึกฝนพัฒนามนุษย์อยู่เรื่อยใช่ไหมนี่สังคมปัจจุบันนี่มันทําการย้อนทางคือเป็นสังคมที่พยายามคือไม่ค่อยมีการฝึกการฝึกก็จะมีแค่การศึกษาในวงจํากัดระดับหนึ่งโดยมองความหมายของการศึกษาแคบแล้วคล้ายๆจะปล่อยให้มนุษย์สนองความต้องการของตัวเอง ในด้านหนึ่งก็ปล่อยอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะมาวางหาทางให้สังคมนี้อยู่เรียบร้อยมันก็เป็นไปได้ยากคล้ายๆว่ากระแสมันสวนทางกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็จับหลักการให้ได้ก่อนว่าในทางพุทธศาสนานั้นเรามีหลักใหญ่เป็นชื่อเดิมของพระพุทธศาสนาคือคำว่าธรรมวินัยแล้วสาหรับพระพุทธเจ้าก็จะเติมคาว่านี้ ธรรมวินัยนี้คือหมายความว่าตัวหลักความจริงที่พระทธเจ้าองค์นี้ได้ส่งค้นพบและได้นํามาจัดตั้งระบบไว้เนี่ยเรียกว่าธรรมวินัยนี้หรือธรรมวินัยที่พระธรรมคตประกาศจากหลักการอันนี้ถ้าเรานํามาประยุกต์ใช้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของสังคมมนุษย์นี้ควรจะเป็นอย่างไรนะอย่างน้อยก็ให้มันมีหลักการที่ เป็นฐานของความรู้ความเข้าใจไวนะ้แล้วก็เพียรพยายามเพื่อจะให้มันบรรลุผลนี้ว่าหนึ่งต้องเข้าถึงความจริงมีปัญญาที่รู้ความจริงของชีวิตและโลกระบบของธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายสองจากความรู้เข้าใจตัวธรรมานี้ก็มาจัดตั้งวางระบบในชีวิตสังคมมนุษย์เพื่อให้ได้ผลตามนั้นนะ ก็เอาเป็นว่าเอาหลักการกันอย่างนี้ก็แล้วกั น, นเข้าไปสิบโมงกว่าใช่มันสารอวัวะเครือขายชีวิตนี่เพราะเป็นส่วนตัวมีวเอาชีวิตกัเอาอวัยวะไว้นี่คน ท, ทำไงดี อ, <c oughs> อ๋ <c oughs> อเ <c oughs> อาก็ท่านคืนนี้เป็นเรื่องของตัวเองสละใช่ไหมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละับอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมเหมือนอย่างคนเป็น เบาหวานใช่ไหมเป็นแผลที่ขาใช่ไหมเพื่อรักษาชีวิตก็ยอ ม, ยอมตัดขานี่คือสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตใช่ไหมแต่ว่าท่านบอกว่าแค่นี้ยังไม่พอเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องทำรรมาแล้วต้องยอมสละชีวิตได้ใช่ไหมสละได้หมดอะหมายความสละ ท, ท่านไม่ได้บอกแค่สละชีวิตหรอกอก็เพราะเห็นจะทําให้สละได้ทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิต นี่ท่านจะกระพันว่าไงนะผมหมายถึงว่าสังคมอย่างนี้นอ๋อความร้ายอ๋อควรไหมที่ว่าเราสลับเลยว่าบางส่วนนี่มันเน่าแล้วอ๋อเอาอันนี้มาอุปมานี่ก peso, <i 00> <treating station mozzarella> ็อุปมาเอามาเทียบเน่อามาเทียบสังคมน่มันามันต่วแล้วก็ตัดกันไสับอ่มันก็เป็นวิธีตัดบทอันหนึ่งแน่นอนละ มันสอพันนใช่คือหมายความว่าแน่นอนแหละถ้าว่าตามหลักการเนี่ยนะรักษาชีวิตไว้ก็ต้องดีกว่ารักษาวายวะถูกไหมฮะอันนี้แน่นอนใอ่แต่แต่ทีนี้ว่าทีนี้ถ้ามันมันต้องว่าเป็นขั้น ถ้าเรามีความสามารถมากกว่า น, นั้นนะเราทั้งรักษาอวัยวะด้วยรักษาชีวิตด้วยโดยไม่แห่อวัยวะนั้นเป็นโทษกับชีวิตแล้วก็ทําให้อวัยวะนั้นดีขึ้นนี่หมายความว่าเราไม่ลกความเพี้ยนแต่เราเ้ามีปัญญาแน่นอนต้องมีปัญญาเป็นฐานแล้วมีความเพียนด้วยไม่ประมาทด้วยถือว่าการตัดบทก็เป็นวิธีประมาทแบบหนึ่งก็หมายความว่าเราหยุดแค่นั้นแต่ทีนี้ถ้าเราการ ตัดบทอาจจะมีสองขั้นบอกเดี๋ยวนี้เท่าที่เรามีปัญญาเราทำได้แค่นี้ใช่ไหมแต่เสร็จแล้วที่ไม่ประมาทก็คือว่าอย่าไปหยุดว่าแค่นี้พอเราจะต้องพัฒนาหาวิธีการว่าอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้พัฒนาต่อไปหมอนแพทย์นะแพทย์เวลานี้รักษาคนไข้ได้แค่นี้ต้องยอมเพราะไม่มีทางใช่หแต่ว่าถ้าไปบอกว่าเออแค่นี้พอต่อไปก็ไม่พัฒนาถ้าคิดว่าเท่าที่เรา มีสติปัญญารู้ทําได้ขณะนี้เราทําได้แค่นี้แต่อันนี้เป็นบทเรียนเราทำไงจะหาทางทําให้ดีกว่านี้อีกต่อไปเพื่อจะให้ได้อันนี้ตอนนี้ต้องให้ได้ผลดี 70% อร์ซต้องยอมเสีย30สิเซสมมติว่าอย่างนั้นนะหรือบางทีต้องยอมเสียหบได้ห้นี้เราไม่พอใจแค่นี้นี่คือไม่สันโดษในะกุศลธรรมใช่ไหม ไม่สะดุดในกุศลธรรมแล้วก็ไม่ประมาทต่อไปเราจะต้องพัฒนาให้ได้ผลดีกว่านี้เพื่อก้าวไปสู่การที่ได้จากห้าสิบเป็นได้ 60% สได้ 70% ็ดสอซใ้ได้ฝ่ายเสียก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ mm hmm. มนี่คือในแง่ระยะยาวไม่ประมาทคือจะไปตัดบทถ้าตัดบทแล้วก็กลายเป็นประมาทไป mm hmm. ก็ถ้าได้อย่างนี้ก็ยังดี mm hmm.